أو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل و, و س م ل عل م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا ع ل م ن ا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبشرح لي صدري و ي س ر لي أمر วะ حل العقدة من ل س ا ن يقهو قولي اللهم اعفنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا و ز د ن عل ا علما ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا وإن لم توفر لنا وترحمنا ل ن ك و ن من الخاسرين ربنا آتنا من ل د ن ك ر ن ح م ة نحي لنا الأمرنا غشدا الحمد لله ش ك ر ا الله سبحانه وتعالى วันนี้นะครับกลับมานังเรียน تفسير سور ุตุเลเซียนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับก็อัลฮัมดุลลาห์หาดีเกือบร้อยปร์เซ็นแล้ววันนี้ก็ได้กลับมาอินชาอัลลอฮเราจะอ่านให้จบสุรุตุซยหลังจากจบสุราห์นี้ ก็จะเป็นการเริ่มต้นสุรใหม่ที่น่าจะยาวประมาณหนึ่งนะครับเป็นสุรุุมะร์สุรตุจุมะรนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮอัลลบินะอเมตีห์ต็มมุลิฮวันนี้รามมดูกันนะครับเราจะอ่านให้จบตั้งแต่อายะที่สามสิบสามสบสองจนจบอายะเลยนะครับจบสรษลย อาบดุบ ل ลลาอิมิน الشيطان الرجيم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها อิล م ุ่ د มาดี الساعة อินน ظ ن إلا ظن วَามานั่งลุบมุสตี و َนว่ามา ي ั่งลุบมุสตีนินว่า มา ك ا ن ب ي, ي س ت ز <ص في ق> و ن و َ ك ل َ ا ل ي َ و م َ ن َ س َ ك ُ م كَمَا ن س ي ت ُ م ل ِ ق َ ا ء ي و م ِ ك م ه ذ ا วมะควาคุณ م ราและมาลคุณมินน้าซิ ي ن น و َ ذ ا ل ك بأنكم اتخذتم آيات الله ز و ا و َ غ ر ت ك م الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولاهم يستعبون. ت فالله <S ؤ> الحمد ف ل الح ا ل ال ه الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين อัลฮัมดุลิลลาฮ์มะชาอัลลอฮ์นี่เป็นตอนจบของสร ر ة อัลยาซียข้อจบกับข้อเริ่มต้นเนี่ยลงท้ายเหมือนกันเลยตอนเริ่มต้นฮามีมแล้วยังไงครับ ท่นสิลุลกิฏาบมินอัลลอฮฺลอาซิมอัลฮะคิมขั้าตันทันชบวะลาหฺอลกิบรียาฟิสฺสมาวะติวัล้อร์วฺฮวัลอซิซฺลฮะคิมขึ้นต้นด้วยอัลอซิซลฮมตนบตนบอัลอซซอัลฮมนรนะมัลละห์ตุล มาดูอ <speaking> ีก <Mechan> ท <ics> like. ีอนรตอาล่าคราวะ وإذا قيل إن وعد الله حقاً والساعة لا ريب فيها قلتم ما ن د ر الساعة إن ظ إ ل و م نحن ب ยังอยู่ในคาพูดที่เกี่ยวข้องกับชาวนรกอายะห์กอนนี้ ที่อัลลอฮ์ลพูดถึงสภาพของวันกียติว่ามนุษย์ทุกคนจะอยู่บนจะเข่าของมนุษย์เป็นยังไงุลุมตินาวตระุลุมตินาซีย์มนุษย์จะคุกเข่าอหน้าอัลล์ลังจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าุลุมตินทุกประชาชิจะถูกเรียกร้องไปสู่สมุดบันทึกของตัวเอง ประชาติที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลละฮ์พระองค์ก็จะเอาพวกเขาเข้าไปสู่รัชมณ์ของพระองค์นั่นก็คือสวรรค์ในขณะที่บรรดาคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาบรรดาคนกาเฟร์อัลลอฮฺต้าละก็จะถามพวกเขาว่าอวัลลัมตะคุนอายาที่ตุตลาอะไลคุมอายาของเราเนี่ยเราอ่านให้เจ้าฟังแล้วไม่ใช่หร um ือฮัสตัดบารจุมแต่พวกเจ้าก็ยโสโอหัง พวกเจ้าก็หวัวแข็งและพวกเจ้าก็มุจริมูลว่กุนตุมเจ้าเมนมุจริมีลและพวกเจาพวกเจ้าก็ยังยก่ออาชญากรรมทําความชั่วต่างๆบนหน้าแผ่นดินไม่ยอมเชื่ออายะห์ของเรายังมีอีกนะพฤติกรรมของชาวนารกที่เพิ่มเติมในอายะห์ที่32สองพระองค์ถามเข้าไปอีกว่าว่อีละกิลอินน์ว่าฎะอัลลอฮฺผาต เวลาที่เราบอกเจ้าว่าสัญญาของัลาลาัยมย่อมจะเป็นจริงเสมอ a s a a t u b i a วันกิยามัตนั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่มีข้อสงสัยใดๆอีกอย่าไปสงสัยกับวันกิยามต์ Untum บรรดาคนกัฟเวรก็ตอบกลับว่าอย่างไงมดรมัซ์อะไรอ่นยมะเราไม่รู้มันจะมีจริงได้ยังไง อินนบุญนออิลลาบุญนะเราคิดว่ามันจะมีหรือไม่มีก็คือไม่ไม่ไม่เอาเรื่องวันกียัติเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักในการที่จะพิจารณาใคร่วรอและศรัทธาทำเป็นเรื่องเล่นๆกับวันเกียรติเราไม่มั่นใจว่าวันกียัติจะมา อันนี่คือคําพูดของมุชริกีนของแกฟิรีนของบรรดาคนที่ปฏิเสธศรัทธาตอนที่อยู่ในวันอยู่ในไม่ใช่ตอนที่อยู่ในโลกดุนี่คําพูดพวกนี้เนี่ยที่บรรดาคนมุชริกีนไม่ยอมรับในวันเกียรติ์เนี่ยละก็เราจะเอามาอ้างในวันกียรติ์อีกครั้งหนึ่งพอถึงวันกียรติ์ตอนหน้าการพิพากษาของ Allah บรรดาคนที่เป็นมุชริกีนเห็นผู้ศรัทธาเข้าสวรรค์กันหมดแล้วเราละ่ะ เราจะไปอยู่ไหน <c ười> แล้ ว, ต ว, ok แ, ตวแตวเเแว่เราบอกว่าพวกเจ้าก็จะต้องเข้านรกสิเอ้าทำไมพวกเราต้องเข้านรกเอ้าพระองค์ก็บอกสิพฤติกรรมของเราของพวกเจ้าตั้งแต่สมัยอยู่ในโลกุณยาพวกเจ้ามีพฤติกรรมอย่างไงเราอ่านอัลกุรอานให้ฟังก็ไม่ยอมฟังเราบอกว่าวันเกียรติจะเกิดขึ้นจริงพวกเจ้าก็บอกว่าไม่เชื่อแล้ววันนี้จะเป็นยังไงอ่ะก็ต้อง ผลตอบแทนมันต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยามันหนีไปไหนไม่ได้แล้วนะครับมันจะเอาผลตอบแทนอย่างอื่นได้ยังไงอ่ะตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาไม่ได้ศรัทธาต่อโลกสุภาอัลลอฮละพอไปถึงวันอัคคีรอห์จะไปประท้วงอานาอัลลอฮ์ตะอาล่าว่าตัวเองอยากจะเข้าสวรรค์ด้วยไม่อยากจะเข้านรกเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ในวันอัคิีรอห์ สิ่งที่มนุษย์ทำทั้งหมดจะถูกเปิดเผยความดีความชั่วจะถูกเปิดเผยให้พวกเขาเห็นกับตาตัวเองว่าพวกเขาเคยทำอะไรมาบ้างแาาา ล, าาล้วพระองค์ตรัสอะลาบอกว่าในสภาพนั้นในเวลานั้นความชั่วของพวกเขาก็จะเผยออกมาให้เห็นการตอบแทน ที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาพวกมุชริกีนบรรดาคนที่ตั้งพาธีต่ล l l a h บรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่ล l l a h ก็จะเกิดขึ้นบหน้าพวกเขาให้พวกเข้าวิบอาอูดุบิลละละอิลาห์อิลลอห์ Allah ไอ้ ظهر لهم يوم القيامة ที่อุกุบะที่อเมรลยครัวันกียรติมนุษย์จะได้เห็นผลตอบแทนของตัวเองอินชาอัลลอฮ์ชาวสวรรค์ทุกคนก็จะได้เห็นผลตอบแทนของตัวเอง ชาวนารกก็จะได้เห็นผลตอบแทนสำหรับความชั่วของตัวเองไม่ต้องหนีทุกคนจะได้เห็นหมดอาอิลฮอิลอล a า l a h و ح ا ق แล้วการลงโทษของลอสุบฮานอว์ตะลาก็จะลงมาอย่งางพวกเขาด้วยสาเหตุที่พวกเขานั้นเคยยออเย้ยล้อเลียนมาก่อน เราอยู h, e an an um a a ่ก e e e mm ับ Allah لا حول ولا قوة إلا بالله وقيل اليوما نسيكم كما نسيتم لقاء يوميكم هذا ัลละก็จะพูดกับรดาคนลานีว่าวันนี้คือวันที่เราจะลืมพวกท่านเราจะไม่สนใจพวกท่านแล้วเราจะปล่อยให้พวกท่านอยู่ในนรกโดยที่เราจะไม่สนใจอีกต่อไปนันซากลมก็คือทำเป็นลืม ลืมตรงนี้ก็คือเอะมันไม่สนใจไม่ใยดีแล้วไปน้องครับตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนียสุบฮานลละอาลอละแต่ลาสนใจเราไหมสนใจมนุษย์ไหมแต่เราสนใจพระองค์ไหมตอนมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยียสนใจบ้างไม่สนใจบ้างบางคนก็คือไม่สนใจเลยถูกต้องไหม ในโลกดนเนียตอนที่เรามีชีวิตอยู่พระองค์สนใจเรามากสนใจทุกเรื่องบอกให้เรารู้ทุกเรื่องมีอะไรบ้างที่พระเจาเราไม่บอกให้เรารู้ตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดนเนีเยในอัลกุรอานมีอะไรบ้างที่พระองค์ไม่บอกเกี่ยวกับก้นอัคร์ไม่มีพระองค์บอกเราทุกอย่างพระองค์ไม่เคยลืมเรา นะครับไม่เคยลืมเราตั้งแต่สร้างเรามาให้ริสกีเรามาให้ฮิดายัดเรามาให้วะฮิยูกับเรามาให้ทางนำกับเรามาลองนับดูสิในโลกตุนยานี่อัลลอฮ์ลืมอะไรเราบ้างไม่มีอะไรเลยที่รลืมเรามีแต่เราที่ลืมอัลลอ์ลืมตั้งแต่ว่าอัลลอ์เป็นผู้สร้างเรา ลืมเน้อหมายที่พระองค์ประทานให้กับเราและยังลืมศา ส, ะสะนาของพระองค์ที่พระองค์บัญญัติให้เป็นทางนํากับเราด้วยมันน่าเจ็บใจไหมถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันถ้าเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันน่าเจ็บใจไหมถ้าสมมุติระหว่างมนุษย์ด้วยกัน่ะเราทําดีกับเขาทุกอย่างแต่เขาลืมไม่ไมจำอะไรสิ่งที่เราทําดีกับเขาเลยหรือเขาไม่ได้เขาเหมือนลูกเราแบบนี้ย ตั้งแต่เล็กแต่เด็กเราเลี้ยงมาให้กินอาหารส่งเรียนนู่นนี่นั่นแต่พอโตขึ้นมาลืมพ่อลืมแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่รู้จักยังไงหนักไหมถ้าสำหรับมัรคโลกด้วยกันแล้วลองคิดดูสิว่ามนุษย์ในโลกญญนิยานี้กี่เปอร์เซ็นที่ลืมอัลลอฮ์ัชาออลลอฮ์นับไม่ช่วนเพราะฉะนั้น เหมาะสมไหมเพรถึงวันอัคคีรอเนี่ยเราแต่เราบอกว่าวันนี้ฉันจะลืมพวกเจ้าเหมือนที่พวกเจ้าลืมฉันตอนมีชีวิตอยู่ในโลกุนี้อัลยูมันมันซาคุมก็มาเนสีตุมลิกวาอัยยมิคมาาุมฮาฟาตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนุนี้เราเตือนแล้วเตือนอีกบอกแล้วบอกอีกเชิญชวนแล้วเชิญชวนอีกเรียกร้องแล้ว เ, เรียกร้องอีกมีกี่สุรษมีกี่อายัดมีกี่บรรทัดมีกี่เนื้อในอัลกุรอาน ทีเราเรียกรากงเจ้าไปสู่อัคราทาเป็นเมรูบิชีไม่ยอมฟังเทาขวาตาลุกซายไม่ยอมคิดไม่ยอมใช้สติปัญญาเหมือนลืมอัลลสุบฮานะตะลาไม่ยอมไม่ยอมเอาใส่ใจใดๆทั้งสิ้นเลยกับอัคราเพราะฉะนั้นฟังเอาไว้คนที่จะลืมอัลลอฮฺตะลาในโลกนี้นี้พอถึงวันอคราอัลลอฮฺตะลาจะลืมเราอัลอมืนส แค่แม้นั่งสิทุมลิขิตาเยี่ยมคุณฮาดาไม่ว่าเราจะเรียกร้องอะไรในวันอาคราถ้าเป็นชาวนรกปิดครับปิดปิดสนิทปิดไม่รับฟังอะไรใดๆทั้งสิ้นติดต่อไปตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ตราบนั้นประตูของลตาอาไรยังเปิดอยู่เสมอเมื่ออะไรก็ตามที่เราก้าวข้ามไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งปุ๊บ คุณจะขออะไรอีกจาก Allah ไม่มีทางไม่มีทางอยากจะขออะไรจาก Allah ขอตอนนี้อยากจะกลับตัวตอนละกลับตัวตอนนี้อยากจะขอโทษ Allah ขอโทษตอนนี้ตอนที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นตายไปแล้วจะขอหนึ่งเสี้ยววินาทีไม่ได้ไม่มีทางคิดให้ดีนะครับ อยากไหมอยากจะให้อัลลอฮะตาลาลืมเราก็ทำตัวเป็นคนหลงลืมอัลลอละตา ล, าลาตอนที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเดี๋ยวพระองค์ก็จะลืมเราเองในวันอนะัคราลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนวะมะวะกุมุนนารสถานที่พักของพวกเจ้าในวันนี้ก็คือนรกจันนามวะมะวะกุมุนนารวะมาละกุมมินนซีรินและไม่มีใครจะช่วยเหลือพวกเจ้าได้อีก ชัดไหมชัดแล้ววันอคัคระห์ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้นะครับยกเว้นอามัลของเราเองและชฉพาะที่อัลลอฮฺตั้ลลัคนุมัดเท่านั้นไม่ใช่ทุกชฉพาะะเราจะได้รับเฉพาะะจากใครอัลลอฮฺตั้ลลต้องอนุมัติก่อนซึ่งแน่นอนว่าไม่มีทางรู้เรามีทางรู้เรารู้ไม่ถ้าสมมติเราบางคนก็อาจจะมีความคิดว่าเฮ้ ตนมีชีวิตอยู่ในโลกโลกนี้ไม่ต้องทําอะไรมากก็ได้เดี๋ยวขอพึ่งพึ่งใครพึ่งคนอื่นพึ่งพึ่งเฉาพาะคนอื่นในวันเกียรมากน่ะไม่รู้แหล ะ, ะพึ่งปู่ยา่าตายายได้ไหมเราคิดไหมบางทีเราก็คิดนะออโอ้ปู่ย่าปู่ฉันทวดชันเคยเป็นโะครูมาก่อนเคยเป็นทวดมาก่อนเคยเป็นโะอิมัมมาก่อนเ อ, อเราเป็นหลานตะอิมัมเราเป็นหลานโะครูเราไม่ต้องทําอะไร เราค่อยไปพึ่งใบบุญไปบุมพึ่งใบมุญต่ะยอเรารับประกันได้ไหม่าต่ะยอเราจะช่วยเราได้จริงๆในวันนั้นอย่าว่าแต่ต่ะยอเราเลยนะครับนบีอิบรอฮิมนบีนุคนแรกเลยนบีคนแรกเลยนบีนุประชาชาติมนุษยชาติทั้งหมดไปหานบีนุนบีนุไว้ยังไงนับสี่นับสีอิบรอฮิมเป็นพ่อของบรรดา น, นิาบี ไปหานบิบรอห์ไม่ยังไง น, น, นับซีนับซี سبحان الله เพราะฉะนั้นเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นได้ยังไงต้องหวังพึ่งตัวเองอย่างเดียวแต่แม้ว่าเราละกมินนาซีรีไม่มีใครที่ช่วยเหลือเราได้ในวันนั้นนอกจากตัวเราเองเจ่าว่ า, าจะจะพึ่งคนอื่นเลยนะมนุษย์ในวันกิยามัตเนี่ยมีความคิดอยู่ในหัวว่าถ้าจะเอาคนคนนั้นมาไถ่ตัวชั้นเนี่ยฉันจะทำเข้าใจไหมเมื่อกี้เราบอกว่า ถ้าเราเพิ่งโตเยะเราเนี่ยเราก็จะไปเพิงมโตยังไม่ใช่แค่นั้นม น, นุษย์เราในบางทีถ้าเราแต่ละบอกว่าเอาเติมประนูลไถ่ตัวเองไปหาใครก็ได้ที่มีบุญเยอะๆแล้วก็มาเอามาเอามาเอ า, าเอาเขาเนี่ยมาไถ่ตัวเราให้พ้นจากนะรกถ้าทําได้ที่เราทําแล้วันนั้นเนะแต่ทําไม่ได้นะอยาดด ان ان, ่าว่าดุลอินซานเลวี่อัฟเตดีมินอาซาบิยุมอิดินบิบานี มนุษย์หวังว่าวันนั้นเขาจะไถ่ตัวเองกับลูกของเขาเอาลูกไปไถ่ตัวเองลูกไม่ได้เข้านรกเราเข้านรกเราจะเอาลูกของเราไปไถ่กั็แล้วแต่ให้เราพ้นจากนรกมีความคิดถึงขนาดนั้นแต่ทําไม่ได้หรอกถึงจะทําถึงอยากจะทําก็ทําไม่ได้แต่คิดอยากจะทําด้วยความน่ากลัวของวันนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าเสี่ยงเลยไม่มีเอตุผลที่จะทำให้ที่ทําให้เราต้องเสี่ยงตราบใดที่เรายังมีเวลาอยู่ กที่เราจะกลับไปอัลล์ะเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้อย่าลืมอัลล์ลตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้พระองค์ไม่ลืมเราแน่นอนถ้าเราไม่ลืมอัลล์อัลล์ไม่ลืมเราลาอะนะในสราอัลฮัชรที่เราเรียนอะไรนะลาะูนลมอัฮ์อย่าได้เป็นเหมือนกับคนที่ลืมอัลล์เพราะฉะนั้นเราอย่าลืมอัลล์ ا ن ل ى ลว เบื้องหน้าคุมَ์ข้าวจุมอ้าย ا ติลลาฮิฮุจูห์ทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะอิข้าวุมอ้ายะติลลาฮิฮุจูหเพราะพวกเจ้าเนี่ยเอาองค์การเอาอ้ายะอัลลอฮฺตาอัลลมาเป็นเรื่องล้อเล่นจำได้ไหมตอนต้นสุรษะเนี่ยเราพูดถึงอ้ายะอัลลอฮตาอัลล ตอนต้มสุรษเนี่ยมันมีอายะที่อัลาลอฮฺอะลัยุมะไม่ว่าจะเป็นอายะมันมีอายะสอนพระเพียี่เราบอกแล้วนะอายะที่เป็นอายะอัลกุรอานเนี่ยที่เราอ่านเนี่ยความยิ่งใหญ่ความเนือ้อหาข้อมูลบมดัญย่งอัลลอฮฺะลาที่อยู่ในอัลกรุรอานมนุษย์ทำเป็นล้อเล่นกับอายาาอะอัลกุรอานหรืออีกอายะหนึ่งก็คืออายะที่เราเห็นในมัมนลุลูขครับความยิ่งใหญ่าาของอัลลอฮะหมในมัลุ้งหล เราเห็นจากดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จากทะเลจากท้องฟ้าจากภูเขาซึ่งมันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของรัาตตะละเวลาที่เราเห็นความยิ่งใหญ่ของรัตตะละเหล่านี้เราก็ทําเป็นเล่นกับมันเราเห็นภัยพิบัติต่างๆที่รัาตตาะละส่งมาสอนมนุษย์ทําเป็นเรื่องเล็กๆทําเป็นเรื่องไม่กลัวไม่อะไรทั้งสิ้นนี่คือการอิท yani ธัสตุบอายะติลลาหูฮุสวา ล้อเล่นกับอายัดอัลกุรอานกล่าวหาว่าท่านนาบีเนี่ยเป็นนักเต๋ีบ้างกล่าวหาว่าท่านนาบีเป็นคนบ้าบ้างกล่าวหาโน่นนี่นั่นเยอะแย ะ, ย ะ, ย ะ, ยะมากมายไม่ยอมรับสิ่งที่ท่านนาบีเอาอัลกุรอานมามอบให้ล้อเล่นกับอัลกุรอานของล l l a h ล้อเล่นกับความยิ่งใหญ่ของ Allah บางคนท้าทายอำนาจของ Allah ขุนพานาวตาละนี่คือนิสัยของมนุษย์น่าแปลกมากมนุษย์อ่อนแอขนาดนี้ อยู่ตอนนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع า ل ى อำนาจของเราองค์ความยิ่งใหญ่ของเรายังทำเป็นล้อเล่นเพราะฉะนั้น น, นี่คือหนึ่งในจำนวนสาเหตุที่ทำให้มนุษย์ต้องเข้านรกนั่นก็คือทำเป็นเรื่องล้อเล่นเยาะเย้ยถากถานกับอาญาต่ออัลลอฮ์ س ب ح ا า ه และ تعالىوغرّت كُمُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا สาเหตุที่สองก็คือ พวกเจ้านั้นถูกดุนยียล่อลวงดุนียเป็นตัวกักขังเราไม่ให้เราออกไปจากสิ่งที่เร า, าปรารถนาก็คือไม่ยอมปลดตัวเองจากจากปลอกดุนยียบางคนที่ไม่ยอมศรัทธาต่อวันอาคราะไร สาเหตุหลักคืออะไรสาเหตุหลักคืออะไรที่ไม่ยอมศรัทธาบางคนอาจจะรู้แล้วว่าอาครยมีจริงแต่ไม่ยอมศรัทธาไม่ยอมทําความดีเพื่ออคัครยเพราะอะไรเพราะติดปลอกคอดุน ي ة เอาไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาครยมาเนี่ยดุน ي ามันมันไม่น่าอยู่แล้วเม่น่อยู่เพราะอาคัครมันน่าอยู่กว่าหรือ เวลาที่พูดถึงการลงโทษในวันอาคิรอเนี่ยมันจะทำเรื่องสนุกในดุนียาไม่สนุกอีกต่อไปใครที่มีนรกอยู่ต่อหน้าเนี่ยถามจริงๆเขากล้าจะทำบาปไหมไม่กล้าทำหรอกทำบาปแล้วเห็นนรกอยู่ข้างหน้าใครกล้าจะทำทุกวันนี้ที่เราไม่ยอมนึกถึงนรก ไม่ยอมนึกถึงการลงโทษอบาอเพราะเรายังมีความรู้สึกอยากจะทบยมุตต่างตอบสนองอารมณ์และาวานัำสูของมนุษย์อยู่ลองจินตนาการกลับไปยังดามุชริกในสมัยท่านนบีสุลลใช้ชีวิตในวันวันยังไงบ้างะ h i l h ลองสนับลองนึกสภาพญ a i l ดู Peritikam yang menjadi jahiliyah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepertikam jahiliyah pada zaman ini, lom ambil tekat kiam. Ada apa yang tidak ada? Ada segala macam. Jadi, jangan katakan bahawa kita tidak mempunyai apa-apa. Kita mempunyai segala macam. Jangan katakan bahawa kita tidak mempunyai apa-apa. i n i s e m a a j a h i t i y a i i n i s e m a c a a n a k a t a k i t a i n y i a k e m i s a t a n kita i n y i n y e g Jangan k a t a a n b t i d a k a i a Kita i n g a n k a t a a h i t i y a i p e m u m a c a n g a n เพราะฉะนั้นตอนที่ท่นานนบีมาบอกว่านี่หยุดเถอะอย่าทําเรื่องแบบนี้เรื่องแบบนี้มันไม่ดีอย่าฆ่าลูกสาวอย่าไปซีนาอย่าไปฆ่าไปก่ออาชญากรรมโน่นนี่นัน่ น, น, นตัวเองมีอิทรีย์คนถึงขนาด น, นี้พอผมพูดถึงนรกพูดถึงสวรรค์คนพวกนี้จะต้องเข้านรกมันมันทำไม่หลือเลยทําไม่ไดม้มันหมดความสนุกที่จะทําบาปทํามระเสียอีก ติดปลอกคอดุ尼亚อยู่ดุนยาติดอยู่กับเราอะมันไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากสภาพดุ尼亚นี่มันมีความสุขสบายมีความสำราญมีอํานาจมีเงินทองมีเงินทุกอย่างมากมายแล้วพอนึกถึงอะเคโลเนี่ยเงินทองที่เรามีก็ต้องแบ่งต้องหามาด้วยทางที่สุดจริตจากเดิมที่จะเอาจากใครก็ได้แจะยักยอกใครก็ได้จะคดโกงใครก็ได้จะไปเอาจาก พอบอกว่าไม่ได้แบบนี้จะต้องถูกลงโทษอย่าง น, นอย่างนี้มันทําไม่ได้อ่ ะ, ะต้องแบ่งทรัพย์สินต้องหาด้วยวิธีที่ฮัลแลนได้ทรัพย์สินที่ฮัลแลนมาแล้วก็จะต้องแบ่งออกเป็นส่วนที่ถูกต้องในการที่จะต้องจ่าย Zakar ากกาต้องสร้างก็นี่คืออัครดะอัคริรออัครดะอัคริรอเนี่ยเป็นอัครดะที่มันช่วยให้กลาชีวิตมนุษย์ให้มัน สิ่งที่มันเป็นความอภัยยศความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับว่ามันอัดออกให้หมดแต่บางคนติดจนชินติดอยู่กับนิสัยแบบแบบอะไรพกแบบบาปต่างๆนี่จนชินจนพอพูดถึงอักษรกไม่อยากไม่อยากฟังอย่ามาพูดกับฉันฉั น, ฉนกําลังอยู่ในความสุขของฉันอยู่เหมือนคนที่ติดยาเสพติดอะ่ะใช่ไหมครับเวลาที่ติดยาเนี่ยมันมันอยู่ในโลกของมันอะ่ะ เราจะไปบอกอะไรมันจะฟังนะมันมันมันถีบเราด้วยซนะ้ํนถ้าเราจะเราเดี๋ยวเอาตัวไปรักษามันยอมใหเรารักษาไหม <S <S คนที่ติดยาไมเพราะอะไรเพราะหลงอยู่ในโลกของความเนี่ยฟังไม่ขึ้นแล้วดุยาก็ประมาณนั้นดุ尼亚คือสิ่งที่มอมเมามนุษย์ให้ติดอยู่ในวังวนแบบนี้ถ้าเราไม่รู้จักอัดเก้า ให้มันพอดีพอดีมีความสมดุลอิสลามไม่ได้ต่อต้านดุน ي ة แต่อิสลามต้องการให้มีความสมดุลระหว่างดุน ي ة กับอาขิรอจึงเอาอาขิรอมาเพื่อให้มันสมดุลกับดุ نية ถ้าไม่มีอาขิรอโอ้ดุน ي ة เรามันไปมันพาเราแบบดิ่งเลยนะแต่เอาอาขิรอมาดึงกลับขึ้นมาให้มันสมดุลแต่คนเหล่านี้ พอมันอยู่ต่ำตกอยู่ไปในชั้นแบบงอหัวไม่ขึ้นแล้วเนี่ยก็เลยไม่อยากฟังอะเคโรอีกต่อไปงดับคม ا ل ي ا ับลาฮาโวลาโวลาโวลาโวลาวลาโวลาโวาโวลาโวลาโวลาลาวลาโวลาวลาโวลาโวลาวลาโลาโวลาโวลาโวลาวลาโวลาโวลาวอย่าโวลาโวลาโวลัวอย่างวลาโวลาโวลานดลาโวลาโวล่วลาโวลาโวลาโวลาโวลาโวลาโวลาโวลาโวลาโวลาเว็นโวลาโวลาโวลาโววา นะครับอย่าไปดูถูกนะเรแต่ลราบอกให้เราระวังสองอย่าง فلا ي غ ر ر ن ك ย الحياة الدنيا ولا فلا تغررنكم بالله الورود อย่าปล่อยให้ดุน ي าล่อลวงและอย่าปล่อยให้ชัยตอนล่อลวงโอ้ําไม่ใช่อํานาจเขาเรียกว่าอิทธิพลของดุน ي าเนี่ยมันใกล้เคียงกับอิทธิพลของชัยตอนได้นะ ถ้ามนุษย์ไม่รู้จับปกป้องตัวเองลนะอือเบลบลบาฮิมิลลาห์เพราะฉะนั้นสาเหตุที่ให้ทำให้คนคนหนึ่งต้องอยู่ในการลงโทษของลอสุบฮานวะตะอาลนอกจากทำล้อเล่นกับอายะ์ของลอสุบาะห์แล้วในจำนวนสาเหตุก็คือการที่มีชีวิตอยู่ในจมปลักของดุนเนียละอือเบลบลาฮิมิลลาห์เพราะฉะนั้น فاليوم لا يخرجون منها ในวันอัคราพวกเขาจะไม่มีทางได้อาบจากนรกว่าละหุมยุสตาบุนและพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้มีข้อแก้ตัวอีกต่อไปว่าละหุมยุสตาบุนเนี่ยจริงๆแล้วไปดูตัดเส้นนมีความเห็นในการตัดเสเนี่ยหลายความหมายด้วยกัน ถ้าไปดูในอินโนเซิสเนี่ยท่านบอกว่าอย่างไรท่านบอกว่าอัลลอฮฺมุยุสจาตบูญหมายถึงว่าคนที่เข้านรกพวกนี้เข้านรกเลยโดยที่ไม่คิดบัญชีมาชอัลลอฮ์นะอุบิลลาห์มินดาลิบลาฮอลกุตลาบิลลาห์ตอ้าของอัลละเนี่ยมันมีสองอย่างเท่านั้นเข้าสวรรค์หรือนรก ในจำนวนชาวสวรรค์เขาสวรสวรค์ก่อนนะในจํานวนชาวสวรรค์มีคนที่จะได้เข้าสวรรค์เลยโดยเจ้ัละตะลาไม่สอบสวนมีจํานวนประมาณห น, นึ่งนายอดุโฟนุนัันนะเบลไกเรฮิซาบเข้าสวรรค์โดยเจ้าละตะลาไม่สอบสวนสอบสวนก็คือแค่เปิดเอาสมุดบัญชีมาแล้วก็มาเปิดดูไม่ได้ถามทละข้อทีละข้อทีละข้อทีละข้อ แค่มาเปิดดูว่าอ้าวนี่เป็นมุขมินนะเป็นคนที่ทํามีมีประเภทของมันนะคนที่ได้เข้าสวรรค์แบบไม่ต้องถูกสอบสวนมันจะมีประเภทของมันคนที่ไม่เคยดูดวงคนที่ไม่เคยอะไรต่างๆพวกเนี้เราจะอะลรแค่เปิดดูแล้พวกเขาเห็นว่า น, นี่ยคือสิ่งที่พวกเจ้าทาแล้วก็ปิดแล้วก็อ้าวเข้าสวรรค์เลยนี่คือคนที่เป็นชาวสวรรค์ในขณะที่ชาวนรกก็มีเหมือนกัน ไม่ต้องสอบสวัวแล้วเอาเขา้านรกเลยวะลยายาตุบิลล่ามีพวกนั้นเหมือนกันนี่คือความหมายที่หนึ่งวะลาอุมยุสจาตะบูนหมายถึงไม่ต้องพูดมากพวกนี้อ่ะมาเปิดสมุดดูไม่ต้องถามกีฬาอีฬาอันี ล, ล, ลจบล้รู้ชัดแน่นอนลไปเลย <c oughs> ได้ฟาสต์แทร็กไปเลยนะนะไม่ต้องรอเข้าคิวแล้วไปเลยวะลยายาตุบิลล่า แสดงว่าต้องทำอะไรมาในโลกรุนญยถึงได้สิทธิเข้าสาวรรค์แบบนี้นี่ไอ้เข้าสาิเข้านรกแบบนี้อะลองคิดดูสิว่าคนที่เข้าสาวรรค์ได้โดยที่ไม่มีไม่ต้องเข้าคิวเขาต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นความดีแน่นอนและไอ้พวกที่เข้านรกแบบไม่ต้องสอบสวนเนี่ยไปพวกไหนกันแนะน่ละอุสุบิลละล า, าลาฮาลละวะลาโคตะอิลละบิลละล า, าอิละฮะอิลละล า, นานอนควลาหม ยุตตะตาบูนในความหมายที่ไหในท afsir อัลสะดีบอกว่าเวลาผมยุตตะตาบูนหมายถึงพวกเขา לא ยุรงดูเนพวกเขาจะไม่มีโอกาสได้กลับไปทําความดีครั้งหนึ่งไม่มีโอกาสที่จะกลับไปทําความดี לא ยุรงดูเนี่ยลดุนย์ลี่อัมมาลูซัลย์ฮันละลายมฮัลูจะไม่ จะไม่อะไรนะประวิงเวลาลงโทษก็คือลงโทษเลยและไม่ไม่ให้โอกาสได้กลับมาอยู่ในโลกมนุยกเพจะมาทำความดีอีกต่อไปหรื อ, อาบางคนบอกว่าละอิสต <s ha an> ัตะบูนหมายถึง ล, ละยุคลับมินฮุมอัลอิตตาระละเตทวบะก็คืออัลลอลาจะไม่บอกแล้วว่าขอโทษเราสิ ยกข้ออ้านมาสิพระองค์จะไม่พูดอย่างนั้นอีกต่อไปไม่มีความจําเป็นที่จะต้องให้คนเหล่านี้มาขอโทษ Allah ในวันเกียรติชัดแล้วว่าคนเหล่านี้เป็นชาวนรกแต่เราไม่มีไม่เปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้ขอโทษได้ยกอ้างได้อ้างเหตุผลต่างๆนานามไม่มีสิทธิ์อีกต่อไปเป็นชาวนรกแบบ VIP นรกจะเป็นหรเป็นชาวนรกที่แบบแบบแบบหัวคิว คนพวกนี้เป็นชาวนรกแบบบวกคิวหมายถึงว่าเป็นพวกที่จะต้องเข้านรก ท, ทันทีทันใดเนี่ยไม่มีการสอบสวนให้มากความแบบละเอียดที่ยิบต่อไปให้เข้าไปเลยอัลลาฮุต้าอัลาฮ์นะแต่จะบอกว่านี่คือความน่ากลัวของพฤติกรรมบังอย่างบางทีคนที่ไม่ศรัทธาต่อรสมานอวตารนมันมีหลายระดับเหมือ น, นเหมือนบรรดาผู้ศรัทธาในโลกนีนี่ผู้ศรัทธาก็มีหลายระดาบับ ศรัทธาแบบน้อยๆแต่ก็ยังศรัทธาบางคนศรัทธาสูงสงมากในทางกลับกันคนที่เป็นปฏิปักษกับพระลักะก็มีหลายระดับบางคนแค่ไม่ศรัทธาอย่างเดียวบางคนยังเปิดใจไม่ศรัทธาแต่ก็เปิดใจรับฟังใช่ไหมครับแต่บางคนเนี่ยไม่รับฟังอีกไม่เปิดใจอีกนำซ้าต่อต้านยอกเย้ยล้อเลียนทำร้ายเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ผลตอบแทนจะไม่เท่ากัน นนะครับนี่เป็นนี่เป็นความยุติธรรมของร่องสุภาโนตอาลาในการพิพากษาตามระดับพฤติกรรมของพวกเขาตอนที่พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกตรงนี้บนไอออยเราเป็นไดจบพูดถึงการลงโทษของชาวนรกและพูดถึงการให้ผลตอบแทนของชาวสวรรค์ไปแล้วทีนี้เราจะเห็นว่าสุรห์นี้จบด้วยดีมากในเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอถึงวันอคิร ฉากสุดท้ายที่เราจะได้เห็นก็คือมนุษย์ทั้งหมดได้รับการพิพากษาแล้วทุกคนก็จะเดินหรือมุ่งหน้าไปสู่สถานที่คำนักของตัวเองอย่างถาวรชาวสวรรค์ก็เข้าสวรรค์ชาวนรกก็ตกนรกไปทีนี้ทุกอย่างเรียบร้อยอัลละฮฺละลาก็จะประกาศว่าฟาลิลฮ il ิลฮัมดอัลละต้าลานั้นสมควรได้รับการสดอเด อัลลัดอัลลอฮ์เป il ็นผู้สมควรเป็นผู้คู่ควรที่จะได้รับการสดุดีบรรดาลาอิกะทั้งหมดเมื่ออัลลอฮ์พิพากษาบรรดะละอิกะทั้งหมดจะสดุดีต่อลอจะทศพต่อลอะ تعالى บรรดาผู้ศรัทธาจะสดุดีต่อหลอวาลลฮลฮัมดุอัลลอฮ์ตอลนั้นสมควรแล้วที่จะได้รับการสดุดีรบบิสม่าวพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าแห่งท้องฟ้า วรรบบนอัลพระเจ้าแห่งแผ่นดินวรรบบนอาลามีพระเจ้าแห่งทุกสรรพสิ่งทั้งหมดในจักรวาลนี้เพราะฉะนั้นมีใครอีกที่สมควรจะได้รับการสดุดีมากไปกว่าอัลลอ ا ن ه ะ ل ์อับฮ์อัฮ์อัลลอฮลลอัลลอฮ์อัลลัลลอฮัลลอลลลฮอัลอั์ เราเ ا ็นส ا มมาวัต ا ل ا ะเป ا ل สั ل มาวัติและเป็นสัมมาวัติทั้ง ا ل งคนก็จะกล่าวสรรพีพระเจาขึ้นะกาวาขอขอบพระคุณ ل ระเจ้าที่ทรงประทานเ ا ื่องนี้ให้เราและเรา ل ม่ได้ ل าเพื ا อจะเฉลิมฉลองหา ا ไม่ได้รับพระคุณพระละะอเป็นผู้ทรงรรงรงง อำนาอันยิ่งใหญ่ในท้องฟ้าและแผ่นดินให้จำเอาไว้อัลกิบริยาหมายถึงความยิ่งใหญ่บางทีเรามีความรู้สึกว่ามนุษย์บางคนเนี่ยอาจจะแสดงความลำพองตนตั้งแต่ยุคอดีตจน ถ, ถึงปัจจุบันมีมากมายที่แสดงความลำพองตนต่อหน้าอัลลอ์ฟิรา้าถึงขั้นประกาศว่าตัวเองเป็นอะไรเป็นพระจ สมัยก่อนสมัยท่านน บ, บีมูซาอัลลอฮุสซาลลมฟิลิปเปร์เนี่ยประกาศว่ตัวเเป็นพระเจ้าประกาศว่าตัวเองมีอำนาจแต่ถามว่าอํานาจของฟิเรเอเนี่ยมีขอบเขตแค่ไหนความตระกอ บ, บของฟิลิปเอ์าเนี่ยมันแผ่ขยายไปถึงไหนอย่าว่าจะแผ่ขยายถึงทั่วโลกเลยแผ่ขยายได้แค่เขต อาณาเขตของตัวเองในประเทศอียิปต์เท่านั้นถูกต้องไหมไม่ได้ขยายออกที่เราอกตัวเองเป็นพระเจาไยงเพราะฉะนั้นในโลกดุนยานี้ไม่ว่าใครจะอ้างว่ามีอำนาจมากแค่ไหนก็เป็นอำนาจนิดหน่อยในขอบเขตที่ตัวเองกปกครองและดูแลูแต่สำหรับอัลลอฮฺฟิสส์มาลูฮวะลูลกิบรียาอัฟิสส์มะว Allah ทงมีอำนาจในชั้นฟ้าทั้งหลายทั้งปมงว่าในท้องฟ้าในสวรรค์และในโลอำนาจก็เป็นของพระองค์มนุษย์เนี่ยอย่างที่เราเคยบอกนะตอนที่อยู่ในโลกนยานี้มีความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเหลือเกินแต่พอเราขึ้นไปบนท้องฟ้านิดนึ่งอ่าเรารู้แล้วเราไม่มีอำนาจอะไรเลยทาอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นนะครับอย่าได้ไปแข่ง ในเรื่องของอำนาจกับ Allah เราวังไว้อย่าคิดที่จะไปท้าทายกับ Allah سبحانه และก็ต์อาแลในเรื่องของพระเดชานุภาพของพระองค์และอำนาจของพระองค์อะไรก็ตามที่พระองค์บอกว่าเป็นของพระองค์อย่าไปท้าทายเข้า <c oughs> ใจไหมครับเพราะสุดท้าย คนที่ท้าทายอำนาจของลอสุบฮานาวตาละไม่มีทางแนะที่จะหลุดพ้นไปจากการลงโทษของพระองค์ในเมื่อเรารู้แล้วว่าอำนาจทั้งหมดเป็นของล l l a h หน้าที่ของเรามีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือมอบตัวเองให้กับพระองค์ต้องแสดงความทำตนต่อล l l a h ต้องยอมรับในอำนาจของ Allah เท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการจากเราอ l i n q i y a h ในจนวนเงื่อนไขของอัลดอัลเละหอิลฮอิลลัลลอฮเงื่อนไขของการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮก็คือหนึ่งในจำนวนเงื่อนไขของมันนะต้องมีอัลอินทดต้องมีการยอมรับโดยดุษฎียอมซิรอรอออัลลอฮซุบฮานะตะอลอลมบอกว่าอัลฮัมดุฟานิลลาฮิลฮัม อยัดก่อนจะจบนะก่อนหน้านี้ซาลิลลัลฮัมดุเกี่ยวกับความรักเข้าใจไหมครับถ้าเราไม่รักอัลลอฮ์เราจะสะดุดีพระองค์ได้ยังไงอัลฮัมดูตรงนี้เนี่ยเกิดมาจากความรักนะเรารับอัลลอฮ์เราจึงสะดุดีอัลลอฮ์ในขณะที่อัลกิบรียะหมายถึงการแสดงตนนอกนอกระพระองค์ เรารักอัลลอฮ์เราไม่ได้นอกน้อมด้วยความรู้สึกบางคนนอกน้อมเพราะรู้สึกถูกบังเข้าใจได้ครับมันต่างกันนะนอบน้อมด้วยความรักกับนอกน้อมด้วยความแค้นความชิงชังบางคนทําอะไรไม่ได้เพเลยแค้นแค้นแค้นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เข้าใจไหมซึ่งอาการนี้จะไม่เกิดกับเราเราไม่ได้นอกน้อมต่ออัลลอฮ์ด้วยความเกลียดชังไม่ใช่เรานอกน้อมต่อละตาลาด้วย ความรักต่อพระองค์เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันจึงมาด้วยกันฟาลิลลาฮิลฮัมแสดงความรักต่อ a ล l a h วาลาฮุลกิบริยาพระองค์นั้นมีมีอำนาจเราจึงนอบน้อมต่อพระองค์แต่การนอบน้อมของเราเป็นการนอบน้อมที่อยู่บนพื้นฐานของความรักที่เรามีต่อพระองค์ Allah hu akbar นี่เขาเรียกว่าฟิคุลอัลมาอัสซิฟะการเข้าใจพระนาม องลอสุภาในวตาอัลลว่าแต่ละพระนามเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรแล้วมันสะท้อนผลมายังพฤติกรรมของเราที่เราต้องปฏิบัติต่อพระองค์อย่างไรนะครับพระนามและสีฟ้าของ Allah วะฮุลอาซิซุลฮักีิพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงเกรงใครไม่มีใครเอาชนะพระองค์ได้อาลอาซีซหมายถึงไม่มีใครเอาชนะพระองค์ได้อาลฮักกิผู้ทรงปริชาญาณพระองค์ทําทุกอย่างมีเหตุมีผล ที่ละเอียดบางครั้งเราก็รู้เหตุผลของ a l ะ a h บางครั้งเหตุผลนั้น Allah อะลัยตุสัลาไม่ได้บอกเราเหมือนที่พระองค์กําหนดเลือกคนส่วนหนึ่งเป็นชาวนารกกาหนดหอีกอีกพวกหนึ่งเป็นชาวสวรรค์ Allah เป็นเหตุผลของพระองค์ซึ่งเราไม่มีทางได้รูน้นะครับนอกจากว่าเราจะต้องพยายามทําให้เป็นชาวสวรรค์ให้ได้นี่คือตอนจบของสุรทูลเจษีย์ เป็นการจบท้ายอย่างสวยงามด้วยคุณลักษณะอันยิ่งใหญ่ของ Allah Subhanahu Wa Taala และด้วยพระนามอันสวยงามของพระองค์ a อ Aziz Al Hakim ทัศนคติก็คือสุราห์นี้เป็นสุราห์ที่เรียกร้องไปสู่การยอมรับใน Allah s u b าน n a h u Wa Taala ผ่านอายะฮ์ของพระองค์อายะฮ์ที่เป็นอัลกุรอานอายะฮ์ที่เป็นมัฟลูกแล้วพระองค์ก็ ได้ยกตัวอย่างบันทีอิสราเอลว่าพระองค์เคยประทานบทบัญญัติต่างๆที่ ค, คล้ายคลึงกับอิสลามเนี่ยมาให้กับบรรดาบันทีอิสราเอลแล้วก่อนหน้านี้ส่วนชาวมุสลิมชาวประชาชนของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลตัละลัลสัลลัมก็มีบทบัญญัติต่างหากคนที่ไม่เชื่อในบทบัญญัตินี้สุดท้ายในวันอาคียะรอพวกเขาจะต้องถูกสอบสวนอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้น อย่าเป็นคนที่ทําตัวเฉยเบยกับอาญาตของอัลลอฮ์หรือล้อเล่นกับอาญาของอัลลอฮ์และมีความคิดว่าดุนียานี้เท่านั้นที่เราจะมีชีวิตอยู่ไม่มีอาคีราะคนที่คิดแบบนี้พอถึงวันอาคีราะพวกเขาจะต้องเสียใจสุดท้ายบรรปลายของเราจะต้องกลับไป Allah, าหาอัลลอฮ์สุบฮานาอัลตะอาลลอย่างแน่นอน<ม>ดังนั้นจงเตรียมตัวด้วยเถิดกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยเตวฮีนะครับ เริ่มต้นการมีชีวิตอยู่ด้วยเต้าฮีและกลับไปหาพระองค์ด้วยเตาาฮีเต้าฮีก็คือการมอบตนให้เป็นของล่องสุพานณตะละเพียงพระองค์เดียวในทุกๆเรื่องในชีวิตของเรานั่นเองจบส و ر ุลกาซียอัลฮัมดุลิลลาฮ์ัตมบิฮัมดิลลาห์อัลชาลลอฮเราเนริมสุรห์มายินสับดานะ بإذن الله سبحانه ล ت ع ا ل ล فَثَقَنَ اللَّهُ إِيَّاكُم لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى و َ ص َ ل َّ ى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ و َ س َ ل َّ م سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا ي َ س ِ ف ُ و ن َ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ا ل س َّ ل َ ا م ُ ع َ ل ي ك م و ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت